วักที่สี่ปัญหาที่หนึ่งถามลักษณะมนสิการพระเจ้ามิลินตดถามว่าข้าแต่พนาเสนมนสิการมีลักษณะอย่างไรพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรมนัสสิการมีการนึกเป็นลักษณะถูกแล้วพนาเสนปัญหาที่สอง ถามลักษณะสิ่งที่มีภาวะอย่างเดียวกันพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าอาจแยกธรรมที่รวมเป็นอันเดียวกันเหล่านี้ให้รู้ว่าต่างกันว่าอันนี้เป็นผัสสะอันนี้เป็นเวทนาอันนี้เป็นสัญญาอันนี้เป็นเจตนาอันนี้เป็นวิญญาณอันนี้เป็นวิตก อันนี้เป็นวิจาร์ได้หรือไม่ไม่อาจขอถวายพระพรขอนิมน์อุ ป, ปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนพ่อครัวของพระราชาเมื่อจะตกแต่งเครื่องเสเวยก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆคือนมส้มเกลือขิงผักชีพริก และอื่นๆลงไปถ้าพระราชาตัดสั่งว่าเจ้าจงแยกเอรรถนมส้มมาให้เราจงแยกเอารถเกลือรสขิงรสผักชีรสหวานรสเปรี้ยวมาให้เราทีละอย่างระย่างเพราะครัวนั้นอาจแยกเอารถที่รวมกันอยู่เหล่านั้นมาถวายพระราชาว่านี้เป็นรสเปรี้ยวนี้เป็นรสเค็ม นี้เป็นรถขมนี้เป็นรถเผ็ดนี้เป็นรถฝาดได้หรือไม่ไม่ได้พระปู้เป็นเจ้าก็แต่ว่าเขาอาจรู้ได้ตามลักษณะของรถแต่ละรถข้อนี้ก็ฉันนั้นมหาบาพิษเมื่อภาษาเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณวิตกวิจาร์รวมกันเข้าแล้วอัตมาภาพ ก็ไม่อาจแยกออกให้รู้ได้แต่ละอย่างก็แต่ว่าอาจให้เข้าใจได้ตามลักษณะแห่งธรรมเป็นอย่างย่างขอถวายพระพรเกลือเป็นของจะต้องรู้ได้ตาใช่ไหมใช่พระผู้เป็นเจ้าขอมหาบพิษจงจำคำนีไวให้ดีนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นเกลือเป็นของรู้ได้รินอย่างนั้นหรือ อย่างนั้นมหาปพิธถ้าบุคคลรู้จักเกลือทั้งหมดด้วยรินเหตุไฉนจึงบรรทุกเกลือมาด้วยเกวียนควรบรรทุกมาเฉพาะความเค็มเท่านั้นไม่ใช่หรือไม่อาจบรรทุกมาแต่ความเค็มเท่านั้นได้เพราะว่าของเหล่านี้เป็นของร่วมกันส่วนความเค็มบุคคลอาจช่างด้วยตาช่างหรือไม่มหาปพิธอาจช่างได้เพราะผู้เป็นเจ้า มหาบาพิษจงจำคำนี้ไว้ให้ดีว่าบุคคลอาจช่างความเข้มได้ด้วยตาช่างข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลไม่อาจช่างความเข้มได้ด้วยตาช่างอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบาพิษถูกต้องดีแล้วพะนาคเสนสรุปความวิญญาณทั้งห้าได้แก่จักขุวิญญาณโสตะวิญญาณ คณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณคือความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องมีมโนวิญญาณคือความรู้สึกทางใจเข้ามาร่วมด้วยจึงจะสําเร็จประโยชน์ในการเห็นการฟังการดมการลิ้มรสและการสัมผัสเป็นต้น เมื่อวิญญาณทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนเช่นจกขู่วิญญาณเกิดขึ้นในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นในที่นั้นเพราะอาศัยจะขุกับรูปทมทั้งหลายมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณวิตกวิจารมนัสิการได้เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกัน แต่มีลักษณะต่างกันดังนี้ภาษะมีลักษณะกระทบกันเช่นจักขุกับรูปเรียกว่าจักขุปิญญาณเป็นต้นเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์คือทําให้รู้สึกมีความสุขมีความทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยเป็นต้นสัญญามีลักษณะจํา เช่นเมื่อตาเห็นรูปก็จะจำได้ว่ามีสีสันวันละเป็นประการใดเจตนามีลักษณะจงใจหรือประชุมแห่งการตกแต่งหมายถึงมุ่งกระทำความดีหรือความชั่วด้วยความจงใจวิญญาณอันนี้ไม่ใช่วิญญาณที่มาถือกำเนิดในครันแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงรู้ ในดีกามิลินท่านหมายถึงประสาทเหมือนกันวิตกมีลักษณะประกบแน่นหมายถึงการที่จิตตรึกอารมณ์วิจารมีลักษณะรูปคลมไปตามวิตกคือจิตเคล้าอารมณ์หรือจิตรองหรือพิจารณาอารมณ์ที่ตรึกนั้นวิตกกับวิจาร์ท่านอธิบายมีความหมายคล้ายกัน คือวิตกเหมือนกับคนเคาะระฆังเมื่อมีเสียงดังกังวานครวนครางขึ้นท่านเรียกว่าวิจาร์ได้แก่อารมณ์คิดพิจารณานั่นเองมนสิการมีลักษณะนึกในข้อนี้ท่านไม่ได้ยกอุปมาเพราะได้เคยอุปมาให้พระเจ้ามิลินได้ทราบไว้แล้วรวมความว่าการที่จะเห็นรูป ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสได้นั้นไม่ใช่อพันตระชีพวงและเปิดสิ่งที่เป็นอยู่ในกายในกายนี้วงเละปิดเวทคูคือเป็นผู้รับรู้แต่การที่จะมีความรู้สึกได้เพราะอาศัยวิญญาณต่างหาก และวิญญาณทั้งห้านี้ย่อมไหลไปสู่มโนวิญญาณเหมือนกับน้ำไหลไปสู่ที่ลุ่มฉน้นแต่ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยกันอันมีผัสสะเป็นต้นนั้นท่านไม่สามารถจะแยกออกมาได้ว่าอันนี้เป็นผัสสะอันนี้เป็นเวทนาหรืออันนี้เป็นสัญญาเปรียบเหมือนเครื่องแกงที่ผสมกันหมดแล้วรสชาติของมัน ปรากฏอยู่ตามลักษณะของมันแต่จะแยกออกมาไม่ได้คำเปรียบเทียบของพระนากเสนเรื่องนี้เหมาะสมมากคือเมื่อเครื่องแกงผสมเป็นน้ำแกงแล้วเมื่อเราตักออกมาช้อนหนึ่งชิมดูย่อมมีรสเครื่องแกงทุกอย่างผสมอยู่แต่จะแยกออกมาหาได้ไม่แต่เราพอบอกได้ว่าความเผ็ดเป็นรสของพริก ความเค็มเป็นรสของเกลือความเปรี้ยวเป็นรสของน้ำส้มหรือมะนาวและความหวานเป็นรสของน้ำตาลเป็นต้นอันหนึ่งเหมือนกับการบรรทุกเกลือแต่จะไม่บรรทุกความเค็มมาด้วยหรือจะช่างเฉพาะเกลือแต่ไม่ช่างความเค็มด้วยนั้นไม่สามารถจะกระทำได้เพราะของเหล่านี้ เป็นของรวมกันฉันใดทำทั้งหลายอันมีภาษะเป็นต้นได้ปรากฏชัดตามลักษณะของตนแต่จะแยกออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีได้เช่นกัน